สิขาบทที่6ว่าด้ยวยการอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุเรื่องภิกษุณีหลายรูป1นึสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอรารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีหลายรูปออกพรรษาแล้วในอาวาสใกล้หมู่บ้านพากันไปกรุงสาวัตถี ภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายจำบรรษาที่ไหนโอวาทสัมฤทธิผลดีละหรือภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่าแม่เจ้าในอาวาาที่พวกเราจําบรรษาไม่มีภิกษุเลยโอวาทจะสําฤทธิผลดีจากที่ไหนกันบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามพวนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีจึงจําบรรษาแนาวว่าที่ไม่มีภิกษุเล่า ครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ